สอนในพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมเนี่ยซึ่งบางทีเราก็เรียกสันๆวัธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุและผลเหตุและผลนี่มันคนละอันกับเหตุผลนะเหตุผลนี่บางครั้งหรือส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความคิดเป็นความเห็นแต่เหตุและผลนี่มันเป็นเรื่องของความจริงมีเหตุจึง ก่อให้เกิดผลอันนี้มันเป็นเรื่องของความจริงอยู่ที่ว่าเราจะมองได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผลไหมการเห็นถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผลนี่บางทีก็กลายเป็นเหตุผลขึ้นมาแต่เหตุผลที่ไม่ได้อิงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลนี่ก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเหตุและผลนี่ มันไม่ได้หมายถึงเหตุผลทีเดียวแต่ก็อาจจะอิงอาศัยกันที่เราพุทธศาสนาเนี่ยหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุและผลเนี่ยอันนี้มันก็เห็นได้ชัดนะในอริยสัจ4เนี่ยทุกก็คือผลซึ่งเกิดจากเหตุเหตกุก็คือสมุ ท, ทยัย นิโรธหรือนิพพานนี่ก็เป็นผลที่เกิดจากเหตุเหตุก็คือมรรคการปฏิบัติที่เรียกว่าอริยมรรคงแปดเนี่ยคือเหตุที่ก่อให้เกิดผลผลสูงสุดหรือผลสุดท้ายเนี่ยคือนิโรธหรือนิพพานในอริยสัจสไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากเหตุและผล ในเช่นเดียวกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอันนี้ก็เห็นชัดเลยนะเป็นเรื่องของเหตุและผลนะอวิชชาเป็นเหตุนะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะก็คือสังขารนะสังขารนี่ก็เป็นทั้งผลของอวิชชาแล้วก็เป็นทั้งเหตุของวิญญาณแล้วก็สุดท้ายก็ ไปลงเอ่ยที่ความโศกความร่ำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแค้นใจหรือความทุกข์นะไอความทุกข์นี่ก็เป็นผลซึ่งถ้าไล่ลงมาก็มีเหตุก็คืออวิชชาแต่ในเวลาเดียกันเนี่ยความทุกข์มันก็เป็นเหตุนะให้เกิดอะไรต่ออะไรตามมาเช่นเกิดความ เบียดเบียนนำไปสู่การทราะเลวิวาสแล้วก็ตามเหตุและผลเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้ชัดเจนหรือตรงไปตรงมาอย่างอริสัต4หรือปฏิจจสมุปบาทอย่างความเจ็บป่วยเนี่ยนะการที่จะสาวหาว่าอะไรคือเหตุนี่ มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะบางอย่างก็เป็นเรื่องการสะสมที่เล็กทีละน้อยอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าเราจะรู้ว่ามันสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตเช่นการสูบบุหรี่ซึ่งท้าเป็นมะเร็งปอดหรือว่า การที่กินอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันน้ำตาลแล้วก็ไม่ออกกำลังกายนี่ก็สัมพันธ์กับโรคหัวใจมันก็ใช้เวลานานนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยรวมทั้งมะเร็งนานาชนิดเนี่ยกวันนี้เราก็ยังมีมะเร็งอีกมากมายที่เรายังสาหาสาเหตุไม่พบ แล้วบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไปเรื่องการสะสมเทีละเล็กทีละน้อยนะบางครั้งมันก็เหมือนกับว่าจู่ๆก็เกิดขึ้นเองแล้วพอจะสาหาสาเหตุเนี่โอ้มันย้อนถอยหลังไปไกลอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็มีการพบว่าเนี่ย สาเหตุของโรคความจำเสื่อมที่เกิดขึ้นกับคนแก่มันเชื่อมโยงนะกับวัยเด็กวัยเด็กที่ว่าคือว่ามีการศึกษามีการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนอย่างคนที่ในวัยเด็กเนี่ยการศึกษาเนี่ยอยู่ในระดับต่ำการศึกษาในที่นี้ก็หมายถึง ในโรงเรียนน่ะนะคนที่มีการศึกษาไม่สูงเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมในวัยชารามากขึ้นและก่อนที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันก็ไม่มีวี่แววนะว่าไอ้การที่มีการศึกษาตามในวัยเด็กเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรมากต่อสมอง ก็เหมือนคนปกติบานคนทั่วไปแต่ว่าพอแก่ชราเนี่ยผลมันจึงแสดงตัวออกมาแล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะโอเดี๋ยวนี้มันมีการค้นพบที่น่าทึ่งมากอย่างเช่นเขาพบว่าคนที่อยู่ในคันแม่ ในช่วงที่มีความหิวโหยเนี่ยถ้าแม่เนี่ยขาดอาหารถารกในครันเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยตอนที่คลอดมาที่ ก, ก็ก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนะน้ำหนักก็ไม่ได้น้อยลงและพอโตขึ้นก็ชีวิตก็ไม่ได้แตกต่างจากคนที่พ่อแม่เนี่ยมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ตอนที่เขาอยู่ในคันแต่มันจะไปแสดงตัวตอนแก่หรือตอนเมีอายุมากนะก็คือสมองเนี่ยนะจะเสื่อมเร็วจะทำอะไรในเรื่องการใช้ความคิดหรือมาแต่การทำสิ่งง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ เวลาสาไปถึงสาเหตุเนี่ยโอ้เนสาไปถึงตอนที่ยังอยู่ในท้องแม่เลยทีเดียวแม้ว่าตอนที่คลอดออกมาเนี่ยและตอนที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นแต่ว่าผลของการที่ขาดอาหารสมัยที่อยู่ในคันเนี่ยนะมันไปนแสดงตัวตอนแก่แลวเดี๋ยวนี้มันก็มีข้อมูลนะ รือการวิจัยมากมายที่เห็นว่าสุขภาพของเด็กตอนที่อยู่ในคันแม่เนี่ยสุขภาพของแม่เนี่ยมีอิทธิพลมากนต่อชีวิตของผู้คนเมื่อโตขึ้นไม่ใช่แค่ตอนหนุ่มสาวนะแต่จะวัยกลางคนหรือวัยชราด้วยซ้ำอย่างเด็กที่อยู่ในคันแม่และแม่เนี่ยเกิดติด เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยพอเด็กคลอดอมาแล้วโตนะไม่ใช่แค่เป็นหนุมนะ่มอางเดือนนะบางทีวัยกลางคนแล้วเนี่ยหรือวัยชราแล้วเนี่ยจึงค่อยเป็นโรคนะโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตอันนี้มันแล้วแต่ว่าตอนที่แม่ติด หือเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเด็กอยู่ในช่วงไหนนะของการตั้งครรภ์ถ้าอยู่ในช่วงแรกการตั้งครรภ์แล้วแม่เป็นหวัดเนี่ยพอโตขึ้นพอเด็กโตขึ้นนี่หรือพอแก่ก็อาจจะเป็นเบาหวานแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงถ้าแม่เนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ขณะที่เด็กยังอยู่ในท้องในช่วงกลางๆงของครรภ์ น, นี่ พอคลอดมาแล้วแก่ตัวลงเนี่ยจึงค่อยเป็นโรคหวัวใจเมื่อกว่าผลมันจะแสดงตัวออกมานี่มันใช้เวลานานนะก่อนหน้านั้นเนี่ยระหว่างนั้นมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่ว่าสาวหาสาเหตุไปถึงตอนที่อยู่ในคันเลยทีเดียวเน่สุขภาพของเราเนยะ นครัที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่อาจจะไม่ได้มีอะไรผิดปกติเหมือนคนทั่วไปแต่พอแก่ชารานี่ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาอันนี้บางทีเหตุอาจจะสืบเนื่องมาจากตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เลยก็ได้หรือบางทีอาจจะเกิดขึ้นเหตุเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่แม่เนี่ยยังอยู่ในคันของยายขนาดนี้เชียวนะตอนที่เขาพบเล้เนี่ย เด็กที่มีความผิดปกติทางยียหรือโครโมโซมเนี่ยสาวหาใส้เป็นจริงๆเนี่ยก็โ น, น่นนะสมัยที่แม่ของเด็กเนี่ยยังเป็นตัวอ่อนอยู่ในคันของยายเยเพราะเหตุนี่มันสาวไปไกลเลยนะหรือว่ามันสามารถจะส่งผลนี่นะ8 0ปีกว่าจะแสดงผลออกมาอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของ ร่างกายอย่างเดียวนะในทางธรรมะหรือในทางศาสนาเนี่เราก็ทราบดีแล้วนะว่าบางทีเนี่ยปรากฏการที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งเนี่ยเหตุอาจจะย้อนถอยหลังไปไปยังอดีตชาติหรือก็ว่าได้นะมันไปขนาดนั้นนะทำอะไรไว้เนี่ยในชาติที่แล้วนี่ก็อาจจะส่งผลมาถึงเราในชาตินี้ก็ได้ นะแต่แน่นอนนะมันไม่อะไรก็ไม่สัันเท่ากับการเท่ากับกรรมในปัจจุบันชาติแต่แม้กระทั่งในปัจจุบันชาติเนี่ยการที่เราทำความดีบางอย่างนี่กว่าผลมันจะแสดงตัวออกมาที่ก็หัวใช้เวลานะบางที 30-40 ปนะีอย่างมีเรื่องราวส่วนเราจะเคยได้ยินนะ เด็กอายุ12เนี่ยถูกจับได้ว่าขโมยยาในร้านยายาก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรนะพาราเซตามอลแอสไพรินแต่เด็กเนี่ยนะที่ต้องขโมยเพราะว่าแม่นี่ป่วยแล้วบ้านก็ยากจนมากไม่รู้จะหาเงินมาซื้อยาให้แม่ได้อย่างไรก็เลยต้องขโมยจากร้านยา เจ้าของร้านยาก็จะจับเด็กได้ก็จะพาส่งตำรวจดัดสันดานดัดนิสัยเด็กก็ขอร้องว่าอย่าเลยอย่าเลยปรากฏว่าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยซึ่งอยู่ ใ, ใกล้พอรู้เนี่ยนะก็ก็มาเจราจากับเจ้าของร้านยาพวกนี้ปล่อยเด็กไปเถอนะนั้นเด็กฉันจ่ายค่า ย, ยาให้เองจ่ายค่า ย, ยาให้แทนเด็กไม่พอนะ ยังทําก๋วยเตี๋ยวนะสองถุงให้เด็กแล้วก็ไปฝากแม่ด้วยว่เด็กก็ดีใจนะขอบคุณเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยนะีที่ช่วยให้ไม่ต้องถูกตํารวจจับแถมยังได้ยาไปให้แม่แล้วก็ได้ก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงแม่อีกนะผ่านไปสามสิปีเนะี่ยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยนี่ เป็นโรคหัวใจนะแล้วก็ต้องทำการบายพาสเพราว่าค่าผ่าตัดเนี่ยรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลอื่นๆแล้วก็ค่าเตียงเนี่ยโหมันมันหลายแสนนะแล้วลูกสาวเนี่ยของเจ้าของร้านวิเตี๋ยเนี่ยก็ไม่มีปัญญานะจะหาเงินมาจ่าย แต่พอเรื่องรู้ถึงหมอนะหมอที่ผ่าตัดเนี่ยหมอเจ้าของไข้เนี่ยกว่าแกจ่ายเงินให้หมดเลยนะค่ายาค่าผ่าคนะ่าเตียงเพราะอะไรนะเพราะว่าหมอคนนั้นก็คือเด็กชายคนที่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยนี่เคยช่วยเอาไว้ ทีแรกไม่รู้หรอกนะแต่พอพอดูชื่อนะแล้วก็คุณคุณนะชื่อนี้ดูชื่อผู้ป่วยแล้วก็พอรู้ว่าเขายางจนไม่มีเงินจ่ายค่ายาจ่ายค่าหมอหมอออกให้หมดเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพื่อตอบแทนคุณเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เคยช่วยเขาไว้เมื่อ30ปีก่อนที่เขาเป็นเด็กเายัง แลึกถึงบุญคุณไม่ลืมให้ความดีที่ช่วยเด็กนะกว่า ม, มันจะแสดงผลนี่นะโอ้มันก็ 30-40 ปีนะในทางเดียวกันนะความช่วยเนี่ยความช่วยเนี่ยบางครั้งทำแล้วนี่มันก็ไม่แสดงผลนะทันทีอย่างคนที่ทุจริต Corruption นะจะเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองก็แล้วแต่ ก็ดูมีชีวิตที่ผาสุขนะมีความามีความสุขสบายทั้งนั้นที่ก็รู้กันนะว่าคอร์รัปชันนะทุจริตหลายคนก็สงสัยว่าทำไมทำชั่วแล้วเนี่ยนะจึงยังมีความสุขทำไมบาปที่ทำเนี่ยมันไม่ส่งผล มันส่งผลแน่นอนนะแต่ว่ากว่าจะส่งผลบางครั้งก็ใช้เวลา30 40, 40ิี่สปีถึงจะแสดงผลหรืออาจจะนายาวนานกว่านั้นก็ได้แมอความดีหรือความชั่วเนี่ยมันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลอย่างแน่นอนแต่ว่าผลเนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้เวลาในเวลาเราจะตัดสินช่วยของใครเนี่ย บางทีจะไปดูแค่สิ่งที่ปรากฏข้างหน้าเรามันต้องดูให้ตลอดนะเหมือนกับดูฟุตบอลเนี่ยจะดูแค่ครึ่งแรกไม่ได้นะครึ่งแรกเนี่ยฝ่ายนึงอาจจะมีชัยนะแต่ว่าพอครึ่งหลังก็อาจจะแพ้หมดรูปก็ได้นะการที่เราจะดูชื่อของคนคนหนึ่งเนี่ย้วเราตัดสินว่าเขาทำไมเ็าทำดีแต่ว่า เขาถึงลําบากหรือทําไมก็ทําชั่วแต่เขาจะโดนรุ่งเรืองมีหน้ามีตาอันนั่เป็นเพราะว่าเรายังดูไม่ครบยังดูไม่ครบเหมือนกับดูฟุตบอลเนี่ยก็ดูแค่ครึ่งแรกแม้กระทั่งดูจนกระทั่งครบ90นาทีแล้วก็ยังบอกไม่ได้นะเพราะว่าต้องดูว่ามีการต่อเวลาหรือเปล่าบางทีพอต่อเวลานั่นแหละนะ ผลที่ชัดเจนมันจึงปรากฏออกมานะว่าชนะหรือแพ้ในเวลาเราดูใครช่วยอง ใ, ใครเนี่ยเรายังสูขไม่ได้นะว่าทำไมก็ททำดีจึงไม่ได้ดีหรือว่าความดีไม่ส่งผลทำไมก็ททำชั่วแต่ทำไมจึงยังสุขสบายอยู่หรือว่ากรรมชั่วนี่มันไม่ส่งผล กรรมดีหรือกรรมชั่วส่งผลแน่นอนนะแต่ว่าบางครั้งมันใช้เวลาในในบางกรณีก็อาจจะข้ามพบข้ามชาติเลยก็ได้ก็เมื่อความเจ็บป่วยนะความเจ็บป่วยในวัยชาราบางทีมันมีสาเหตุมานู่นตั้งแต่สมัยที่แม่ของคนคนนั้นเนี่ยยังอยู่ในคันของยายเลยก็ว่าได้ในเรื่องเห็นและผลเนี่ยหรือว่าเรื่องของกรรมเนี่ย รวมทั้งเรื่องของกรรมเนี่ยนะมันมันไม่ใช่ว่าตรงไปตรงมาของบางอย่างเนี่ยทำวันนี้กว่าจะส่งผลน้นหลายปีทีเดียวที่จริงในประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันก็มีเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะัอตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บำเพ็ญทุกกลกิริยามา6ปีแล้วก็ ในที่สุดก็พบว่ามันไม่ใช่คำตอบเนี่ยตอนนั้นพระองค์คงจะท้อแท้นะเพราะว่าได้ลองมาหลายวิธีแล้วการสุขคัลหรการนิโยโอก็เจอมาแล้วแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่นะแล้วพอมาทดลองนะอาตากริบาลถานุโยคคิดว่าใช่บอกว่ามันก็ไม่ใช่พระองค์ก็คงจะท้อนะถ้าเป็นเราคงจะท้อนะ ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่พระองค์นึกถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กนะยังทารกยังไม่ทารกแค่ 6-7 ขวบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าสุทธทานานิทพิธีแรกนาขวัญ น, นะแล้วก็เจ้าชายสิทธธรก็นะมีก็ออกไปนะร่วมพิธีนั้นด้วยตอนนั้นยังเล็กมาก ก็มีนางสนองกำ น, นันไหนเนี่ยคอยดูแลมีช่วงหนึ่งก็ก็ให้ท่านพักอยู่ยอยู่ตรงใต้ต้นว่าตรงนั้นก็ร่มเย็นทีเดียวนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พี่เลี้ยงเนี่ยนะก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนก็เหลือแต่พระ ก, กุมารเนี่ยอยู่ผู้เดียว รหวงที่อยู่ใต้ต้นว่าเนี่ยก็จิตใจเกิดความสงบมากตามตำนานก็ว่าได้ชานเลยทีเดียวตอนนั้นจิตสงบมากนีพรเจ้าเนี่ยตอนที่หลังจากบำเพ็ญทุกข์กับฤกษกยามาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนีนึกถึงเหตุการณ์ตรงนั้นนึกถึงช่วงขณะนั้นว่าได้บำเพ็ญสมาธิ และจิตสงบมากก็เลยเกิดความคิดว่านี่อาจจะเป็นคำตอบนะของเราก็ได้ทำไมพระองค์เนี่ยหันมานะละทิ้งนะอัตตกิลมฐานุโยกแล้วก็หันมาบําเพ็ญทางสายกลางนะโดยภาวนาอยู่ใต้ต้นโพธิ์และพอกว่ากำลังสมาธิที่พระองค์ได้บําเพ็ญเนี่ย ก็ทำให้พระองค์เกิดปัญญาเพราะว่าได้ค้นพบทางสายกลางความทรงจำในวัยเด็กความรู้สึกดีๆในวัยเด็กเนี่ยสมัยที่อายุหกขวบเนี่ยมันส่งผลนะมันส่งผลทำให้พระองค์เนี่ยหันมาค้นพบทางสายกลางหันมาค้นพบหนทางของการออกจากทุกข์เพราะช่วยให้บําเพลช่วยให้บรรลุพระสัมมาสัมบที่ยาม ยังสิ่งที่เราทำเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยสิ่งดีๆประสบการณ์ดีที่เราประสบเนี่ยมันไม่ใช่ศูนย์เปล่านะใครจะไปรู้นะมันอาจจะช่วยทาให้ถึงวันที่เราเนเกิดอับจนหนทางหรือว่าเกิดความทุกข์เกิดวิกฤตในชีวิต่า จ, จะช่วยเตือนสติเราหรือทาหรือชี้หนทางเห็นทางออก นะจากวิกฤตได้อย่างบางคนเนี่ยนะเขารู้สึกท้อแท้กับชีวิตมากนะชีวิตสับสนแล้วก็กลัดกลุ้มไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรจิตใจก็รุ่มร้อนแล้วมีช่วงนึงเนี่ยนึกถึงวัยเด็กนะนึกถึงตอนที่ยายเนี่ยพาไปวัดแล้วได้มีโอกาสกราบพระ ได้นั่งนิ่งๆอยู่ที่หน้าพระพุทธรูปเห็นพระผ้าของพระพุทธองค์เนี่ยมีรอยยิ้มน้อยๆความรู้สึกตอนนั้นในวัยเด็กนี่รู้สึกจิตสงบมากมันเกิดความเย็นขึ้นมาในใจไอ้ความรู้สึกดีๆตอนนั้นเนี่ยมันพอนึกถึงเนี่ยในยามที่ประสบทุกข์นี่มันทําให้เกิดได้คิดขึ้นมานะว่า เ, เราจะพึ่ง นะบูวามตัดช่องน้อยแต่พอตัวบางทีถ้าเรารู้จักหาความสงบในจิตใจหรือว่านึกถึงคุณค่าของศาสนาอาจจะหาทางออกเจอก็ได้และหลายคนเนี่ยก็พบทางออกนะพอเริ่มที่จะเข้าหาธรรมะมารักษาใจใสงบแม้ว่ามันจะว้าวุ่นนะรุ่มร้อนภายในนี แต่ว่าความรู้สึกดีๆในวัยเด็กนะในเวลานั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเกิดกำลังใจนะแล้วก็ในืัวก็สามารถที่จะพาตนเนี่ยออกจากวิกฤตในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอความดีหรือว่าสิ่งดีๆที่เราได้ทำหรือเราได้ประสบเนี่ยแม้บางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าหรือไม่สำคัญเท่าไหร่ แต่เราจะบอกไม่ได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายอย่างที่เรามาอย่างเรามาภาวนาเนี่ยที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะภาวนาได้ไม่นานมีเวลาไม่มากแต่ว่าความรู้สึก ด, ดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้กับเราในยามที่เราเกิดวิกฤตในชีวิตในอนาคตข้างหน้าก็ได้ แต่จะดีนะจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ว่ามาทําวันนี้แล้วก็รอหวังผลวันหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหรแต่ถ้าว่าเราทําสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นการภาวนาการทําจิตให้สงบการทรําความรสึกตัวการเจริญสติหรือว่าการทําความดีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไม่ใช่ทําแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วไปรอผลวันหน้าไม่รู้เมื่อไหร่ แต่ว่าเราทำอยู่เรื่อยๆทาอยู่เรื่อยๆทา อ, อ, อยู่เรื่อยๆให้มันกลายเป็นเนื้อเป็นตัวให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีหลักประกันที่มั่นคงมากกว่าบางทีอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปเจอวิกฤตชีวิตในวันข้างหน้าเลยก็ได้เพราะาเราใช้ชีวิตมีสติเรารู้จักรักษาใจให้ผ่องใส แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะทำสิ่งนั้นได้ต่อเนื่องแต่ว่าให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปสิ่งที่เราลงแรงไปเนี่ยมันย่อมเกิดผลแน่นอนเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่อันนี้เราไปถึงการทำความดีนะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนนะอย่างที่เคยพูดเอาไว้ว่าเนี่ ย, ยการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตเนี่ย ก็คือการลงทุนให้ออกับการปฏิบัติธรรมการจริสติการภาวนาและการทำความดีมีน้ำใจต่อผู้อื่นอะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีคำว่าศูนย์เปล่ามันย่อมส่งผลอย่างแน่นอนและบางทีอาจะส่งผลยาวไกลก็ได้ถ้าว่าเราทำสม่ำเสมอ